สร้างสติลงไปสร้างสติลงไปวิธีใด ท, ที่จะมีความรูส้สึกตัวหามาเอากายเอานี่แหละเป็นวัสดุก่อนเป็นการเริ่มต้นมันก็มีจริงๆริงกายมันก็มีจริงๆิงสติมันก็มีจริงๆริงรีบรูปแบบก็มีจริงๆริลักษณะก็มีจริงถ้าเดินก็เดินจริงๆริง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 มันก็ผานลงไปเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่รูปเป็นสุขเป็นทุกข์มาเลยใช่รูปเป็นสติเป็นปัญญาถ้าเรามิทุพันลุภาพเหมือนกับชีวิตเราอ่อนแอก็เกิดโลกแทรกซ้อนไม่เข้มแข็งถตามีสติสมัยชัญญยะก็ถือว่าไม่ทุพันลภาพแล้วแข็งแกร่งเพรามันมีความแข็งแกร่ง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 อันเดียวความรู้สึกตัวมันเป็นตัวเฉลยหลักเดี่ยวภาษาที่พูดกันอยู่บ่อยๆคือดูคือดูนะให้เห็นหลราไปมันสุกขก็ขเห็นเล ย, ยพูดแบบนักปฏิบัติมันสุกขก็รู้สึกระ ieben, กลึ ก, กลได้อยู่มันโทก็รูกก้สึกระลึกได้มันรู้ก็รู้สึกระลึกได้มันไม่รู้ก็รู้สึกระลึกได้มันสงบก็รู้สึกระลึกได้มันไม่สงบก็รู้สึกระลึกได้